เมื่อคืนอาจารย์โนต้ตนะนะก็ได้พูดเตือนใจนะพวกเราว่านะครูบาอาจารยนะ์ที่พวกเรานับถือนับวันนะมีแต่จะพยอยจากไปนะทีละคนทีละคนนะอันนี้มันเป็นความจริงที่เรานะต้องยอมรับนะปฏิเสธไม่ได้เลยและที่จริง ตะว่าไปแล้วเนี่ยการที่ครูบาอาจารย์ท่านจากไปเนี่ยมันก็เป็นการสอนธรรมให้กับเราอย่างหนึ่งนะท่านไม่ได้สอนธรรมเฉพาะตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่เมื่อท่านถึงแก่การมารณภาพก็ยังสอนธรรมให้กับเราได้นั่นคือสอนเรื่องความไม่จรังของชีวิตนะ สอนเรื่องอนิจจังนั่นเองสอนให้เห็นว่าเนี่ยความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นในแง่นหนึ่งเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้เราเรู้จักพึ่งตัวเองให้ได้เพราะถ้าเราเอาแต่จะพึ่งครูบาอาจารย์เราก็คงจะไปไม่ถึงไหนนะ ครูบาอาจารย์จากไปก็เคว้งเท่านั้นแหละนะถ้าไม่รู้จักพึ่งตนเองและการจากไปของท่านเนี่ยก็ยังเป็นการสอนให้เราระลึกว่าไอ้ความสูญเสียพัดพรากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นในที่สุดก็ต้องสูญเสียพัดพรากจากครูบาอาจารย์ไปและจริงไม่ใช่เฉพาะครูบาอาจารย์ คนที่เรารักคนที่เราเคารพเนี่ยอันได้แก่บุปการีพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่มิษสหายหรือแม้แต่คนที่อายุน้อยกว่าเราจะเป็นลูกเป็นหลานก็ดีเนี่ยอันนี้ในสุดเราก็ต้องพัดพรากนะจากพวกเขาไปไม่ว่าเราจะมีคนรัก คนที่เคารพกี่คนในสืดอก็ต้องสูญเสียเข้าไปอันนี้มันคือการย้ำเตือนว่ามีอะไรนะก็ต้องทุกข์ทั้งนั้นแหละมีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ปุปกการีมีคนรักคนเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าจะนำสิ่งดีดๆมาให้กับชีวิตของเรา หรือทำให้เรามีความสุขแต่สุดท้ายนะก็ต้องทุกข์นะในอย่างที่เขาจากไปมีอะไรเนี่ยก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะมีคนรักก็ทุกข์เพราะคนรักเม่ว่าเขาจะดีนะประเสริฐเพียงใดนะไม่เคยทําให้เราผิดหวังเสียใจเลยแต่สุดท้ายนะเราก็ต้องทุกข์นะ เมื่อเขาจากเราไป น, นี่เป็นสัจธรรมนะมีอะไรนะ่ยมีใครก็ทุกเพราะสิ่งนั้นก็ทุกเพราะคนนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นคนนั้นเนี่ยจะประเสริฐแค่ไหนดีเพียรพร้อมอย่างไรหรือนาความสุขมาให้กับเราอย่างไรสุดท้ายมันก็ต้องทุกจนได้ อันนี้จะเรียกว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายนะราคาที่ต้องจ่ายสราักการที่จะมีคนรักมีของรักในด้านหนึ่งนะเราก็ได้ความสุขได้รับสิ่งดีๆจากเขาแต่ในแงาหนึงเราก็ต้องจ่ายนะจ่ายในรูปของกา ร, รเผชิญความทุกข์ ไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่าๆไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆหรือไม่มีอะไรที่ได้มาล้วนๆนะได้มาก็ต้องมีจ่ายไปอันนี้มันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยก็จะจ ะ, จะทุกข์จะโศกจะคร่าครวญมากในยามสุข ก, ก็ สุขเต็มที่นะกับคนรักแต่ว่าพอถึงเวลาที่พัดพลาดสูญเสียนี่ก็ทุกเต็มที่เหมือนกันและความทุกเนี่ยเพราะความพัดพลาดสูญเสียคนรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยน้าตาที่เกิดจากความ เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าพัดพรากสูญเสียคนรักเนี่ยรวมแล้วนี่มันมากกว่าน้ำในหมหาสมุทรทั้งสี่สินะเมือม่อเมื่อรวมถึงความสูญเสียพัดพรากนะในวัตจักรอันไม่มีประมาณเนี่ยหมายความว่าเนี่ยการที่คนเราเกิดมา ชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าลเนี่ยแต่ละชาติเนี่ยนะก็สูญเสียน้ำตาเพราะความโศกความเศร้าเพราะสูญเสียคนรักเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยนะมันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ถ้าไม่อยากโศกไม่อยากเศร้านะเพราะสูญเสียพัดพรากจากคนรักเนี่ย มันก็ต้องไม่เกิดนะถ้าไม่เกิดเมื่อไหร่นะมันก็ไม่มีการสูญเสียพัดพลานะไม่มีความโศกเศร้าไม่มีน้ำตาแต่ถ้ายังเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จบแบบนี้เนี่ยนะมันต้องเจอความโศกความเศร้าพอพัดพาดสูญเสีย ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่อยากพัดภักสูญเสียไม่อยากทุกโศกก็ต้องทำความเพียร น, นะเพื่อไม่ให้เกิดอีกต่อไปแต่ว่าขณะที่เรายังต้องเกิดนะเพราะว่ายังเป็นปุถุชนเนะี เราก็ต้องเรียนรู้นะต้องเดินรู้ต้องรู้จักวางใจให้เป็นว่าไม่ว่าจะมีอะไรนะก็ต้องมีให้ถูกมีให้เป็นคือว่าไม่ยึดมั่นถือมัน่นะเมื่อมีคนรักหรือของรักท้ายึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่นะมันก็ต้องทุกข์จนได้นะเพราะว่าเจอความพัดภาคสูญเสีย ก็มันก็มีแต่ว่าเรามีให้เป็นนะมีโดยไม่ยึดมั่นถือมัน่นมีโดยตระหนักว่าไอ้สิ่งที่มีนั้นเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวไม่นานก็เสื่อมสลายหรือแปลเปลี่ยนไปไอ้ความพัดพราาสูญเสียเนี่ยรวมทั้งความตายเนี่ยนะมันก็ เป็นอีกชื่อหนึ่งนะของอนิจจังแล้วก็ทุกขังผู้คนจนวมากเนี่ยก็ทุกเพราะความพัดภาคสูญเสียทุกเพราะความตายจะเรียกว่าทุกเพราะอนิจจังไปนะแต่มันไม่ใช่แค่พัดภาคสูญเสียหรือว่าความตายเท่านั้นยังมีอย่างอื่นอีกนะที่มัน สะท้อนความไม่จริรังเ่ช่นความแก่ความเจ็บความป่วยและอะไรต้องมากมายถ้าผู้คนเนี่ยก็ต้องทุกข์ต้องโศกต้องคําครวนเพราะพัดพรากจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักไอ้วันนี้เป็นเรื่องของนิจจังทุกขังนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนิจจังทุกขังนี่ ไม่ได้ทําร้ายเรานะไม่ได้ลงโทษเรานะสิ่งที่ทําร้ายเราสิ่งที่ลงโทษเราหรือ ส, สิ่งที่ทําความทุกข์ให้กับเราก็คือการไม่รู้จักไม่เข้าใจอ น, นิจจังทุกขังตังหาอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไปโทษว่าเนี่ยที่ทุกข์นะเพราะความไม่จรังยั่งยืนของสรรพสิ่งทุกข์เพราะอ น, นิจจัง มันจึงต้องทุกข์เพราะความโศกความเศร้าทุกข์เพราะความพัดภาคสูญเสียทุกข์เพราะความตายก็เลยไปโทษอ น, นิจจังนะทุกขังแต่จึงไม่ใช่นะเราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจอ น, นิจจังและทุกขังต่างหาหมายความว่าถ้าเข้าใจเนี่ยนะเข้าใจแจ่มแจ้งเนอนิจจังทุกขังเนี่ยนะ มันก็ไม่ทุกนะเพราะว่าเมื่อเข้าใจแล้วก็จะไม่มีการยึดยึดมั่นถือมันเพราะรู้ว่ายึดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะมีอะไรก็ตามนะก็มีโดยไม่ทุกนะมีโดยอ่าตระหนักรู้ว่ามันไม่เที่ยงก็เลยมีโดยไม่ยึดเมื่อมีโดยไม่ยึดเนี่ยถึงเวลาที่มันหมดไปเสียไปมันก็ไม่ทุก สิ่งที่มีนันก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎอันนี้จังทุกขังอยู่นะแต่ว่าไม่ทุกละนะเพราะว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่ามันเที่ยงหรือว่ามันเป็นสุขที่ไม่ยึดมั่นเพราะหะรเพราะรู้เพราะเข้าใจนะอันนี้จังทุกขังอันนี้ก็เป็นทางออกนะสำหรับคนที่ยังต้องเกิดตราบใดที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายนะ เราก็ยังสามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์หรือทุกข์น้อยที่สุดนะยามที่เกิดความพัดพรากสูญเสียคนรักยามที่เขาลมหายใยจากไปไม่่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่่าเป็นคนรักผุปการีสามีภรรยาลูกหลานแต่นอกจากการเข้าใจนิจังทุกขังหรือว่าการมีนะอย่าง ฉลาดมีโดยไม่ยึดแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่ที่ช่วยได้นะก็คือการที่เราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความตายถ้าเราเข้าใจความตายเนี่ยอย่างถูกต้องเนี่ยนะอย่างตรงตามความเป็นจริงเนี่ยมันช่วยทําให้ทุกน้อยลงนะเมื่อมีความพัดภาคสูญเสียหรือเมื่อมีความตายเกิดขึ้นกับคนที่เราลัก พอถ้าเรารู้จักความตายดีพอก็จะรู้ว่านะมันไม่มีนะสิ่งที่เรีว่าความตายมันมีแต่การแปลเปลี่ยนเวลาเราพูดถึงความตายมันหมายถึงการสิ้นสุดหรือว่าการหมดสิ้นสลายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่จริงแล้วทุกสิ่งเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่เปลี่ยนสภาพเวลาเมฆเนี่ยมัน หายไปจากท้องฟ้าเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าเมฆมันตายมันแค่เปลี่ยนสภาพนะจากเมฆกลายเป็นฝนกลายเป็นหยดฝนพรางพรมลงมาแล้วฝนมันก็กลายเป็นลานําธารหรือว่ากลายเป็นกระแสน้ํามันแค่เป็นการแปลเปลี่ยนนะหรือเปลี่ยนสภาพ เราไม่เคยเรียกว่าเมฆตายนะเพราะว่าสิ่งที่ประกอบเป็นเมฆเนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนสภาพเป็นฝนนะเป็นลานําธารหรือเป็นสายน้ําหรืออาจจะเปลี่ยนเหมือนกับเวลาใครคนหนึ่งเนี่ยที่เรารักหรือเคารพเนี่ยเขาตายไปเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะเปลี่ยบเหมือนกับน้ําแข็งเนี่ยที่เราใส่ไว้ ในขวดในแก้วทิ้งไว้สักพักเนี่ยนะน้ำแข็งก็หายไปเราก็ไม่เรียกว่าน้ำแข็งมันตายนะเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนสภาพนะจากก้อนน้ำนะกลายเป็นน้ำเหลวก็ยอยู่ในถ้วยนั่นแหละความตายเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าความตายเนี่ยมันก็ไม่ต่จากการเปลี่ยนสภาพนะของ น้ำแข็งนะมันกลายเป็นน้ำเหลวๆแล้วถ้าหากว่าอุณหภูมิมันเกิดลดต่ำขึ้นมาไอ้น้ำนั้นมันก็กลับมาเป็นน้ำแข็งนะเหมือนเดิมมันก็เวียนไปเวียนมาแบบนี้แหละหรือจะเปรียบเหมือนกับดักแด้นะที่มันอยู่ในหลังไหมเนี่ถึงจุดหนึ่งนะไอ้ดักแดมก็หายไป เราไม่เรียกว่ามันตายนะเพราะมันแค่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นผีเสือ้อรังไหมก็ยังอยู่นะแต่ดักแด้หายไปแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นผีเสือ้อสิ่งจี่เราเรียกว่าความตายของคนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อคงไม่ตายจากนะการเปลี่ยนสภาพของดักแด้จะเป็นผีเสือ้อแล้วก็คงเหลือแต่เหลือแต่รังไหมทิ้งเอาไว้ ก็เมื่อนคนตายนี่เขาก็ทิ้งร่างเอาไว้ร่างนั้นก็เสื่อมสภาพคืนสู่ธรรมชาติไปแต่ว่าจิตหรือวิญญาณนะก็ไม่ต่างจากผีเสื้อนะที่ออกจากร่างเอาออกจากดักได้ถ้าเรามาอบบนี้เนี่ยมันก็มันไม่มีความตายนะมันมีแค่าการเปลี่ยนสภาพ จากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งหรือเราจะเปรียบเทียบนะกับแม่น้ําระเด็นะแม่น้ำเนี่ยเช่นเจ้าพยาเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันมาสิ้นสุดนะที่อ่าวไทยหรือที่ปากน้ําพอน้ําเจ้าพยาเนี่ยนะมันมาถึงปากน้ำเนี่ย ความเป็นเจ้าพยาก็สิ้นสุดแต่เราก็ไม่เรียกว่ามันมีความตายเกิดขึ้นตรงนั้นเพราะว่าน้าก็ยังไหลต่อไปเพียงแต่ชื่อเจ้าพยานเนี่ยมันสิ้นสุดตรงนั้นสิ้นสุดตรงปากอา่าวตรงปากน้าแต่ว่าน้ำมันก็ยังไหลต่อไปสู่ทะเลนะอ่าวไทย ที่เรียกว่าเปลี่ยนแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นแหละจากเจ้าพญานะหรือน้ําเจ้าพยาลกลายเป็นน้ําทะเลในอ่าวไทยสิ่งที่หายไปเนี่ยคือชื่อนะแต่ว่าสิ่งที่ยังมีความสืบเนื่องนะก็คือกระแสะน้ําซึ่งก็อาจจะเปลี่ยนสภาพไปหน่อยนะจากน้กําจืดก็กลายเป็นน้ําเค็มมาแต่ก็ยังเป็นน้ํา เพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่มีความตายนะมันยังไม่มีใครตายด้วยจริงๆเนี่ยเวลาใครคนหนึ่งเนี่ยนะตายเนี่ยมันก็เป็นแค่ว่าขันธ์ห้ามแตกสลายเป็นเพราะเรามองว่าเป็นคนนะเราก็เลย เห็นว่ามีคนตายแต่จริงๆแล้วมัน ม, มีใครตายนะมันก็มีแต่ขันธ์รูปเวทนาสัญญาณสังขารวิญญาณที่แตกสลายไปไม่สามารถจะคุมกันได้ต่อไปในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะเขาท่านจะไม่ถึงที่สุดแล้วท่านจะไม่ถามว่าใครนะแต่จะถามว่าอะไรถามว่าใครเดินนะมัน ม, มีใครเดินนันมันมีแต่รูปที่เดิน ถามว่าใครนั่งไม่มีใครนั่งมันเป็นแต่รูปทิ้นนั่งถามว่าใครโกรธนะมันมีใครโกรธนะมันมีแต่นามที่มันโกรธหรือว่ามีความโกรธเกิดขึ้นกับน้ำถามว่าใครทุกข์นะมันมีใครทุกข์นะมันมีแต่รูปทุกข์หรือไม่ก็น้ำทุกข์แต่ว่าเป็นเพราะเราไม่เข้าใจนะเราก็สําคัญมั่นหมายว่าเนี่ย ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขาเราไม่ได้เห็นไปถึงความจริงที่ว่าเนี่ยมันมันไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนหรือใช่ตัวตนเลยนี่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเรื่องอนัตตาเนี่ยนะเราก็จะเห็นชัดนะจริงว่ามันไม่มีใครตาย มันมีแต่คําว่าอะไรมากกว่าและสิ่งที่เกิดขึ้นกับอะไรนะั่นมันก็ไม่ใช่ความตายนะมันก็แค่เป็นการเปลี่ยนสภาพและพู้อย่างนีงคือว่านอกจากการที่เราเนี่ยจะเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังแล้วนะถ้าเราเข้าใจเรื่องอนัตตาด้วยเนี่ยมันก็ทําให้ไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจเมื่อมีการสูญเสียพัดพลาด พอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความตายเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ไม่มีใครตายด้วยแต่เพเราไม่เข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยนะเราก็เลยสำคัญเป้าหมายว่าเนี่ยเป็นนายกรนายขอสำคัญามากว่ามีตัวตนชื่อๆว่านายกรนายขอมีตัวตนที่ เราเรียกว่าพ่อเรียกว่าแม่เรียกว่าสามีภรรยาแต่สุดท้ายนะมันก็เป็นความสำคัญบรรหมายที่เรียกว่าสมมุติมากกว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยถึงเวลาตายจะไม่ไม่ถามว่าใครตายหรือว่าเขาตายแล้วไปไหนจะไม่มีการถามอย่างนั้น เพราะมันไม่มีใครตายแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไปไหนเพราะมันไม่มีเขาตั้งแต่แรกแต่ว่าเราก็พูดกันตามตามสมมุติว่าเนี่ยเออเขาตายไปแล้วหรือว่าเขาไปเกิดใหม่แล้วเขาไปสู่พบใหม่แล้วนะแต่จริงแล้วเนี่ยถ้ามองให้ลึกนะถ้าเข้าใจเรื่องอนัตตนี่มันมันไม่มีเขาไม่มีใครนะมันมีแต่อะไรมากกว่า นันพอเราเข้าใจตรงนี้น ะ, ะแล้วเราตระหนักว่ามันไม่มีใครตายไม่มีความตายเนี่ยมันก็มมีความเศร้าโศกเสียใจยเมื่อมีความตายหรือมีความภาคภาณสูญเสียเกิดขึ้นอันนี้มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จ ะ, อ, ะอยู่กับโลกที่มันไม่เที่ยงไม่จรังยั่งยืนอยู่กับ ความผันผวนปลาบปวนนะของโลกและของชีวิตได้ซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็จะเข้าใจแบบนี้ได้นะมันก็ต้องเข้าใจธรรมะเนะ่องเพราะธรรมะที่ครูบาอาจารย์รวมไปถึงพระบรมศาสดานี่ท่านได้สอนได้ชี้แนนะแต่สอนและชี้แ น, น่แล้วบางทีเราก็ยังไม่เข้าใจทราบซึ้งนะ บางทีต้องอาศัยการจากไปของท่านเนี่ยเป็นเครื่องเตือนสติหรือเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดเจนถ้าเราเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขอังอนาฏตานในความผ่านผวนแปรปรวนเนี่ยของสังขารของสรรพสิ่งของสิ่งที่เราสาคัญมั่นหมายว่าเนี่ยเป็น เป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนรักเนี่ยมันก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็จะอยู่กับความผ่นผันปวนแปรปวนได้โดยที่ไม่มีความสําคัญมากมาว่าเป็นเราด้วยซ้ำถึงเวลาตัวเองป่วยถึงเวลาเจ็บเนี่ยนะมันก็ไม่มีใครเจ็บนะไม่มีใครป่วยมันมีแต่ความมันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ ถึงเวลาที่หมดลมเรียกว่าความตายเนี่ยอย่างมากก็มีแต่ความตา ย, ยแต่ไม่มีผู้ตายแะนแ้นความตายก็เลยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแล้วเราก็จะอยู่กับโลกที่มันเป็นอนิจจังโลกที่มันเป็นทุกขังแล้วก็อนัตตาได้โดยใจที่ไม่ทุกข์โดยใจที่เป็นปกติเย็นนี้พุทธนีนะกรับ